จิตวันสุดท้ายวันสุดท้ายคือวันแสดงความจริงว่าคุณมีอะไรอยู่บ้างวันอื่นๆที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นแค่เอาไว้หลอกให้นึกว่าคุณมีอะไรไม่มีอะไรอยู่บ้างการระลึกถึงความตายคือการระลึกถึงความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ ในวันสุดท้ายแห่งการมีกายและจิตแบบมนุษย์นี้การระลึกถึงความตายแม้เป็นการสมมุติเหตุการณ์ล่วงหน้าแต่ถือเป็นการสำรวจจิตตัวเองในปัจจุบันจริงๆว่าถ้าต้องตายตอนนี้คุณมีดีอะไรบ้างที่ผ่านมาได้เตรียมความสงบเอาไว้ตายหรือเตรียมความฟุ้งซ่านวุ่นวายเอาไวข้ขาดใจ วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้คุณซักซ้อมก่อนถึงเวลาต้องดูจิตวันสุดท้ายของจริงคือเมื่อทอดตัวลงนอนจะเป็นเอนนอนระหว่างวันหรือจะเป็นเอนนอนก่อนนิทราในราตรีให้ลองระลึกว่าถ้านี่คือวาระสุดท้ายลมหายใจออกไปแล้วจะไม่กลับเข้ามาอีกคุณกําลังจะต้องทิ้งร่างนี้ไปแล้วเหลืออะไรให้จับเหลือสิ่งใดให้คว้าไว้บ้าง ด้วยความรู้สึกถึงร่างกายที่ทอดนอนไม่ต่างจากขอนไม้ที่กำลังจะถูกทิ้งเปล่าไว้ในโลกนี้คุณจะรู้สึกว่าสมบัติพัสถานรอบตัวแม้จับต้องได้ก็เอาไปไม่ได้ส่วนเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดล้วนเหมือนความฝันที่เอาไว้หลอกเล่นว่าคุณเคยมีหรือไม่เคยมีอะไรอยู่บ้างถ้าที่ผ่านมาทั้งชีวิต เอาแต่กระสับกระสายกระวนกระวายวิงวุ่นด้วยความอยากได้นั่นอยากได้นี่วาระสุดท้ายคุณยอมรู้สึกว่าทั้งชีวิตไม่ต่างอะไรจากฟันร้ายวกบลแถมในวาระสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรติดมือไปจริงสักอย่างเพราะแม้แต่มือก็อยังต้องทิ้งไว้ในโลกนี้แต่ถ้าชีวิตที่ผ่านมาคุณได้รู้จักความรู้ตื่น ได้รู้แจ้งประจักษ์จริงเห็นว่าลมหายใจนี้ร่างกายนี้สุกทุก์ทั้งหลายนี้ภาวะจิตสงบและภาวะจิตฟุ้งซ่านทั้งหลายนี้ล้วนเป็นของหลอกลวงล่อตาล่อใจให้หลงยึดชั่วคราวคุณถอนความหลงติดได้ก่อนหน้าวาระสุดท้ายนานแล้วก็จะรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่สูญเปล่าเพราะสิ่งสุดท้ายที่จะได้ไปก็คือจิตที่รู้แจ้งไร้ทุก ไรพันธะไรกังวลใดๆเมื่อร่างอันทอดนอนที่ไรวิญญาณบุคคลย่อมหายไปเหลือเพียงของแข็งของที่เป็นน้ำไออุ่นตลอดจนลมพัดไหวรอเวลานับถอยหลังกระจัดกระจายแยากตัวออกจากกันหากยังเหลือความหลงยึดว่ามีตัวคุณนอกจากบุญและบาปที่สั่งสมไว้ก็ไม่มีอะไรติดตามตัวคุณไปได้ แต่หากสลัดความหลงยึดว่ามีตัวคุณได้แล้วก็มาถึงสุดทางทุกข์ไม่มีการเดินทางไปสู่ความทุกข์ครั้งต่อไปอีกไม่มีบุญบาปและความทรงจำใดๆเหลือให้แบกเป็นภาระอีกจบวิปัสนานุบาลงานเขียนโดยดังปริน เสียงอ่านโดยอาริยะคุณชมรมผลดีอ่านหนังสือของคุณดังตรินทั้งหมดได้ฟรีที่เว็บไซต์ดังตริน .com ท่านที่สนใจต้องการหนังสือเป็นรูปเล่มเพื่ออ่านเองหรือนำไปแจกในโอกาสต่างๆซึ่งทางสำนักพิมพ์จำหน่ายราคาถูกมากนะครับสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ howfarbooks. com หรือพิมพ์คาค้นหาว่าสานักพิมพ์ h o w ฟ a ก็ได้นะครับขออนุมโมทนากับคุณออนอุสาเลอจิรากุ และคุณธนกรเลอจิรคุณที่เป็นผู้เริ่มดำาริในการจัดทาสื่อธรรมชุดนี้เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานนะครับโดยมีคุณพ่อธนพลและคุณแม่อรสาเลอจิรคุณร่วมเป็นประธานเจ้าภาพในการจัดทาครั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่สังคมและพระศาสนาสืบไปขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในมหาธรรมทานครั้งนี้ร่วมกันหน้าที่หลักของชาวพุทธอันเป็นมงคลสูงสุด คือการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมสภะธนานธรรมะานางชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสภารสังธรรมะรโสชินาติรสแห่งธรรมะชนะรสทั้งปวงสภารติงธรรมะรติชินาติความยินดีในธรรมะชนะความยินดีทั้งปวงตันหักโยสภะทุกขังชินาติความสิ้นไปแห่งตันหา ชนะทุกทั้งปวง